ขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าน้อมนำมาถวายด้วยใจที่คิดจกบูชามีวัตถุสิ่งของเหล่านี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่วัดพระเชตวันที่ท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีได้สร้างถวายภิกษุสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศที่มีพระาศาสดาเป็นประ ม, มุก อนาถพินธิกาเศรษฐีาาษซื้อที่ดิ น, ดนปูราดด้วยทรัพย์สิบแปดโกดสร้างสังคารามารา ม, มีปริมาณแปดกรีด 5, 5, 5, 5, 5. ลงในพื้นที่นี้นนนสถานที่เหล่านี้นนเรียกว่าเชตวันมหาวิหาร เป็นสถานที่พระศาสดาทุกๆพระองค์ไม่ได้ทรงละเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเกี่ยวข้องสถานตรงนี้เสมอต้องเกี่ยวกองสถานที่ตรงนี้เสมอข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตะหนักในพระคุ ณ, คณของพระศาสดาของพระศาสดา ว่าพระศาสดาพระวิปสัสสีพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับณสถานที่เหล่านี้พระสิกขีพระพุทธเจ้า ก็ประทับณสถานที่เหล่านี้ที่พระเวสภูพระพุทธเจ้าพระกกุสันทาพระพุทธเจ้าพระโกนาคามานะพระพุทธเจ้าพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดจนพระผู้มีพระภาคเจ้า องปัจจุบันนี้อปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นที่เคารพซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทรงละเลยก็ไม่ทรงละเลยสถานที่เหล่านี้สถานที่เหล่านี้เป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วที่ได้มาถวายสักการะบูชาที่ได้มาถวายสักการะบูชาสถานที่อันเป็นมงคลสถาน สถานที่อันเป็นมงคลสถานแห่งนี้แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสักการะสกาที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนแห่งสักการะทั้งหลายแห่งสักการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอมมวลได้ในจิตใจทั้งสิ้นอมมวลได้ในจิตใจทั้งสิ้นเพื่อน้อมถวาย ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าข้าพเจ้านอกจากถวายอามิสบูชาภายนอกแล้วนอกจากถวายอามิสบูชาภายนอกแล้วขอน้อมถวายขอน้อมถวายร่างกายและชีวิตร่างกายและชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาแด่พระศาสดา ด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยจิตที่มุ่งมั่นไม่วันไหวไม่วันไหว เห็นคุณของพระศาสดาเห็นคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดาว่าพระศาสดาบำเพ็ญบารมี30สทัสบำเพ็ญบารมี30ทัศอย่างยาวไกลอย่างยาวไกลเพื่อให้เวนยศัตร์เพื่อให้เวนัยศัตร์ได้ตัดสรู้ตามพระองค์ได้ตัสรู้ตามพระองค์มาวันนี้มาวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตน้อมจิตฟังพระ ัสัตธรรมน้อมจิตฟังพัสสัตธรมของพระศาสดาของพระศาสดาด้วยกุศลที่ตั้งใจดีครั้งนี้ด้วยกุศลที่ตั้งใจดีครั้งนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ของพระองค์ในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอ เกิดพ ภายใต um it ้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตว์บุรุษได้ครอบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีเกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและ ประพนติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญายามให้เจริญสติปัญญายามตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุขอเราท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งใจนะมั้ สิการ่าศาสดา